สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าพี่น้องครับเรื่องการเป็นเื่อความตายของพระเยซูนี้มีหลักฐานเยอะแยะมากมายและในเช้าวันนี้จะพูดถึงหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากก็คือคริสจักรคริสจักรนั้นเป็นข้อเท็จจริงทางกวีศาสตร์ครับอีกประการหนึ่งที่ ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูปเป็นผู้มีความตายแล้วคริสตจักดํารงอยู่ก็เพราะความเชื่อในการเป็นผู้ความตายครับตลอดระยะเวลาแรกๆที่ก่อตั้งคริสตจักรสถาบันนี้ได้รับการกดขี่ข่มเหงเป็นอย่างมากจากพวกยิวและพวกโรมคริสเตียนทุกคนจะต้องทนทุกข์ทรมานการเป็นคริสเตียนนั้นนั่นหมายความว่าเขากําลังปฏิเสธว่าต่อไปนี้ชีวิตของเขานั้นก็ไม่ได้เป็น ความเสีดวกสบายต่อไปครับแต่ว่าเขากําลังยอมรับว่าต้องทนความทุกข์ยากลำบากอันนั้นคือสิ่งแรกเลยครับที่ก่อนที่คนจะมาเป็นคริสเตียนเขาจะต้องยอมรับข้อนี้พี่น้องครับคริสเตียนแต่ละคนในชั้จากยุคแรกต้องทนทุกข์ทรมานหลายคนต้องถูกฆ่าเพื่อองค์ูุนเจ้าทั้งนี้เป็นเพราะเพียงเขารู้แน่ว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหากพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้ความตายคนเหล่านี้คงเป็นไม่ได้ที่เขาจะ ย, ยอมถวายชีวิตมอบกายถวายตัวให้กับพระเยซูคริสต์นักเหตุผลนะครับหรือพวกนิยมเหตุผลนะยังต้องยอมรับเลยครับว่าหากแม้นว่าความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีรากฐานมั่นคงเป็นระบบ คิดในศาสนาก็คงจะไม่มีต่อไปนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าศาสนศาสตร์ที่ว่าด้วยการช่วยให้รอดโดยพระเยซูคริสต์หลักคาสอนต่างๆของคริสเตียนล้วนอิงอยู่กับความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจาความตายทั้งสิน้นท่านอัครทูตเปาโลได้ประกาศว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์และท่านก็ยังอยู่ในบาปของตนมักจะปรากฏดังเป็นคำขวัญครับอยู่หน้าที่หนึ่งของหนังสือเกี่กับเรื่องหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเสมอพี่น้องครับเมื่อเรามองในแง่ปลอดสะราความเชื่อเรื่องการเป็นหนความตายนั้นมีความสำคัญมากเลยครับ แต่โดยความเชื่อนี้เองทำให้ความเชื่อในพระเยซูและพันธกิจของพระองค์กลายเป็นปัจจัยรากฐานของศาสนาใหม่แยกจากศาสนายูดาห์หรือว่าลัทธิยูดาห์นะครับแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายตรงเงินข้ามชิดด้วยซ้ำในคริสจักยุคแรกและตอนที่ศาสนาคริสเตียนซึ่งเป็นศาสนาใหม่นี้เริ่มต้นแพร่อ อ, อกไปทั่วโลกก็ปรากฏว่าชาวยิวนั้นก็เป็นพวกแรกเลยครับที่ต่อต้าน หากว่าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นหนือความตายคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐต่างๆมากมายนะครับเขาจะยอมดอํารงในความเชื่อหรอครับเขาจะยอมประกาศข่าวประเสริฐหรือครับคงเป็นไปนไม่ได้คงเป็นไม่ได้ที่พระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นเหนืความตายและคิดจากเองซึ่งก่อตั้งขึ้นราวๆข้อสอสามสิบสองสามสิบสามก็คือหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะครับ ขื้นจักรไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติครับแต่มีสาเหตุมีเป้าหมายชัดเจนคิดเตืยนที่เมืองอันฮีโอในยุคแรกๆของขื้นจักรนั้นก็เป็นพวกคว่ําโลกครับพี่น้องคําว่าคว่ําโลกนั่นก็คือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกครับเป็นคนที่มีชีวิตสวนกระแสโลกเป็นคนที่มีอิทธิพลต่ตอโลกอันนี้บันทึกในกิจการบทที่17ข้อ6ครับมูลเหตุของอิทธิพลนี้หรือสาเหตุของอิทธิพลนี้ก็คือการเป็นผูความตายนั่นเอง มีนักวิชาการท่านหนึ่งครับได้เขียนว่าอย่างนี้ว่าหากแม้นว่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ของพวกสาวกจบลงที่พระเยซูถูกตรึงเมฆเขียนก็เป็นการยากที่จะทําความเข้าใจว่าขื้นจักรมีอยู่ได้อย่างไรด้วยว่าครื้นจักรนั้นตั้งขึ้นอยู่บนความเชื่อที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาและพระเมสสิยาที่ถูกตรึงนั้นไม่ใช่พระเมสสิยาแต่เป็นผู้ที่รักที่ยูดาปฏิเสธและเป็นผู้ที่พระเจ้าสาปแช่ง แต่การเป็นขีด ค, ความตายของพระเยซูต่างหากเล่าที่เป็นการประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาพระบุตรของพระเจ้าดังที่เปาโลได้กล่าวไว้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่สี่พี่น้องครับความแน่ใจว่าพระเยซูเป็นขีด ค, ความตายทําให้สาวกของพระองค์พ้นจากสภาพอันสิ้นหวังครับสภาพที่สิ้นหวังของสาวกนั้นเกิดจากการสิ้นพระชนของพระเยซูครับ ฉะนั้นกระบวนการที่พเยซูเริ่มต้นไว้นะครับได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจนกระทั่งพระเยซูเป็นขึ้ขความตายจนกระทั่งพระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ น, นะครับเพราะความเชื่อที่ว่าพระเยซูพระองค์ผู้ถูกตึงนั้นเป็นขึ้นไปความตายนะครับสาวกได้พบกับโรมสนทนากับโปรงทําให้การสิ้นพระชนของพระองคแม้กระทั่งพระเยซูเองไม่อาจจะถูกลืมเสียได้ ที่น้องครับนี่คือปอดสะก็คือคริสจักรนั้นเป็นปอดสะที่ที่พูดอยู่ครับที่เป็นพยานอยู่ครับและจนถึงทุกวันนี้คริสจักรก็ไม่มีคริสจักรแท้ใดเลยที่ปฏิเสธเรื่องการเป็นที่แห่ความตายของพระเยซูต่อไปนะครับเราจะพูดถึงประเด็นที่สําคัญก็คือการที่คริสเตียนถือวันอาทิตย์นะครับก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่ง ที่พิสูจน์ว่าพระเยซูปเป็นขึ้นในความตายเดิมวันหยุดพักของพวกยิวคือวันเสาร์ครับนะกาวกันว่าพระเจ้าทรงเนรมิตส ร, ร้างโลกเสร็จและทรงหยุดพักในวันที่เจ็ดและนี่คือวันเสาร์เป็นกฎที่เขียนไวในพระบัญญัติครับพวันสมบาโตจึงเป็นเสาหลักหรือเป็นหลักข้อเชื่อที่สําคัญที่คําจุดลับที่ยิวดังนั้นการรักษาวันสมมาโตเป็นกฎข้อที่หนึ่งเลยครับเป็นกฎข้อที่หนึ่งที่ชาวยิวเคารพเค่งคัดมาก พี่น้องคงจำได้นะครับว่าพระเยะซูกับกับพวกธรรมจารฟาริสีนั้นมีปัญหาเรื่องวันสะบาโตกันการรักษาวันสะบาโตนั้นถือว่าถ้าเป็นคนยิวต้องเกรงขัดรักษาวันสะบาโตอย่างเป็นที่สุดแต่กับกันครับคริสเตียนร่วมนมัส ก, การพักเจ้าในวันแรกหรือวันต้นสัปดาห์ซึ่งก็คือวันที่นั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คริสเตียนนั้นได้ เปลี่ยนการนมัสการนะครับและถือว่าการนมัสการวันอาทิตย์นั้นเป็นวันสะบาโตของคริสเตียนเพราะเนื่องจากคริสเตียนหรือคริสตจักรเองนั้นยอมรับการเปขึ้นเป็นความตายของพระเยซูนะครับคริสเตียนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนบรรจุและวันนมัสการพระเจ้าที่มีมาแต่โบราณของศาสนายิวนะครับได้สําเร็จคือเปลี่ยนจากวันสะบาโตหรือวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ครับ แต่ความจริงที่ว่าตัวพวกเขาเองก็เป็นยิวเขารู้ครับเรื่องความถูกต้องของการรักษาวันสมาโตแน่นอนครับการที่พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์นั้นพวกเขาเองกําลังยืนยันเรื่องเรื่องหนึ่งครับและเรื่องนั้นก็คือการที่พระเยซูเป็นที่มีความตายในวันอาทิตย์พี่น้องครับนับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งสถาบันศาสนา เคยกระทามานะครับถ้าไม่มีการเตือนขึ้นความตายแล้วคงจะไม่มีการเปลี่ยนวันสมาโตจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ครับทีนี้นครับเราจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงวันวันวันอุปมาศากับวันเ ส, สาร์มาเป็นวันอาทิตย์ได้อย่างไรถ้าเฟซูไม่ได้เตือนขึ้นเหนือความตายมีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคริสเตียนกลุ่มแรกนะส่วนมากจะมีพื้นเพนเป็นชาวยิว และเขาเคร่งครัดในการรักษาวันสะบาโตถึงขั้นเป็นคนขั่งาศาสนาทีเดียวก็ว่าได้ฉะนั้นการจะเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัตินี้ต้องมีสาเหตุใหญ่ก็มีสาเหตุหลักที่สําคัญมากและสาเหตุนั้นก็คือการเป็นในความตายดังนั้นเองการที่คริสเตียนถือวันอาทิตย์นะครับก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญที่บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นในความตายแล้ว เขาจะช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจและเราจะสามารถนําไปปกป้องความเชื่อของเราได้และจากตรงนี้เองทําให้เราต้องหวนคิดกลับมาถึงชีวิตของพวกเราว่าเราได้ปกป้องความเชื่อของเรามากน้อยขนาดไหนไม่เพียงแต่เราจะสัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าในแต่ละวันสัมผัสถึงการทรงพระชนอยู่สัมผัสถึงการเป็นขึ้นเหนือความตายแต่เราต้องถามตัวเองต่อไปว่า สิ่งเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของเราและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรบ้างอาเมน